227กุสจกุสจีราธิปฏิเขปะกะถาว่าด้วยทรงห้ามผ้าคากรองเป็นต้นเรื่องภิกษุนุ่งผ้าคากรองเป็นต้น371สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งนุ่งผ้าคากรองและนุ่งเปลือกไม้และ นุ่งผ้าผลไม้และนุ่งผ้าทอด้วยผมขนและนุ่งผ้าทอด้วยขนสัตว์และนุ่งผ้าทอด้วยขนปีกนกเขาและนุ่งหนังเสือแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค รัดสันระเสริญความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยประการต่างๆหนังเสือนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสม การปรารบความเพียรโดยประการต่างๆขอประธานวรโรกาสพระผู้มีพระภาคทรงโปรดอนุญาตหนังเสือแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคะบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสม ไม่ใช่กิจสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยฉะไหนเธอจึงได้ใช้หนังเสืออันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของเดรถีเล่าโมคะบุรุษการทำอย่างนี้มิได้เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสละครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้หนังเสืออันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของเดียรถีรูปใดใช้ต้องอาบัตถุลัดใจ